ถ้าอุบาสกขาดความสามารถอย่างนั้นเพียงใดดูก่อนมานผู้มีบาปเราก็อยายังไม่ปรินิพานเพียงนั้นนะมาตอนนี้คำเนี้ยพระองค์ได้ตรัสไว้จริงเมื่อแรกตรัสรู้สัปดาที่แปดบัดนี้ผ่านไปสี่สิบห้าปีนะอุบาสกผู้เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เป็นผู้ฉลาดแลว้วนะลูกหลานก็เก่งๆกันหมดแล้วกเกษียณเถอะคล้ายๆแบบนี้นะ ใครวะเนี่ยก็ลูกหล้านก็เก่งๆนั้นพักๆบ้างอะไรแบบเนี้ยมันหม่านเขาก็อาศัยเหตุผลอ้างเป็นเรื่องดีเลยเนะเขาทาเป็นอ้างว่าบัดนี้นะอุบาสกผู้เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เป็นคนฉลาดได้รับคําแนะนําเป็นผู้กล้ากลาเป็นผู้สูตรทรงทำปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติตชอบ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 ก็อ้างนะตอนนั้นพระองค์ก็บอกว่าอุบาสกมารก็บอกไม่ยอมหาเหตุผลมาว่าพระองค์สมควรปรินิพานเหมือนกันนะนะก็บอกขนาดพระพุทธเจ้ายังให้มารยังบอกให้ปรินิพานเลยไม่ต้องกล่าวไปเรื่องอื่นๆนะสำหรับคนที่ทําอะไรแล้วก็ไม่ต้องเป็นหนักใจรอกในขนาดพระพุทธเจ้าดีขนาดนี้มารยังขอร้องให้ปรินิพานเนี่ยนะขนาดดวงอาทิตย์สว่างๆเนี่ยอย่าคิดนะว่าตอนกลางวันคนไม่อยากให้ค่าเร็ว มีคนอยากให้ค่ำเร็วๆจะไปไปไอคนที่อยู่กลางคืนบอกเมื่อไห ร, ร่จะเรียบสว่างไอคนที่อยู่กลางกลงวันบอกเมื่อไหร่จะรีบค่ำว่างั้นน่ะมันก็เป็นอย่างนี้แหละโลกนี้นะจะไปคิดทําอะไรให้มันสมใจปรารถนาของคนทําไม่ได้หรอก น, นนะทีนี้มานก็อาราธนาพระพุทธเจ้าให้ปรินิพานต่อไปอีกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้เมื่อแรกตรัสรู้สัปดาห์ที่แปดไว้ว่า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 อุบาสิกาผู้เป็นสาวิกาของพระผู้มีพระภาคเจ้าชลาแล้วเนี่ยนะผ่านไป45ปีอุบาสิกาเยอะแยะเลยแต่ละคนก็ฉลาดมากเหมืนั้นอุบาสิกาของพระองค์ก็ได้รับคําแนะนําเป็นผู้กล่วกล่าเป็นหูสูตรทรงธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแต่ละท่านก็ปฏิบัติชอบปฏิบัติตามธรรมแล้วก็เรียนคําสอนเรียนพระไตรปิฎจาก อ, อาจารย์ของตนก็สามารถบอกแสดงแต่งตั้งบัญญัติ เปิดเผยจำแนกกระทําให้ตื้นสามารถแสดงธรรมมีปฏิหารช่วยคนอื่นให้พ้นจากทุกข์ได้ท่านเหล่านั้นก็สามารถที่จะข่มขีละที่อื่นเนี่ยนะโดยที่สุดแม้แต่อุบาสิกายังแก้ละที่มิจฉาทิฐิที่เกิดขึ้นตอนนี้นะเด็กอายุเจ็ดขวบก็แก้ละที่อื่นได้แล้วอนนอุบาสิกาสาวิกาที่เป็นโสดาบันเนี่ยนะที่เด็กหญิงอายุเจ็ดขวบก็รู้ยิ่งกว่าละที่อื่นหมดแล้ว ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงปรินิพานขอพระสุคตจงปรินิพานในบัดนี้เถิดบัดนี้เป็นเวลาปรินิพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วอ้างเหตุผลสีป่ปรนะการใภิกษมพิสุสาวกภิกษุณีสาวกอุบาสกสาวกแล้ ว, ก, ก, ว ก, นะ ก, ก, ก็อุบาสิกาสาวิกาเนี่ยนะพิสุภิสุณีอุบาสกอุบาสิกานั้น ถ้าพระองค์จับปริญิพภานก็ต่อเมื่อท่านเหล่านั้นฉลาดได้รับคําแนะนําเป็นผู้กล้าหาเป็นผู้หูสูดทรงธรรมทรงวินยัยปฏิบัติธรรมสมควรแก่โลกุตรธรรมปฏิบัติชอบเนี่ยนะปฏิบัติถูกต้องปฏิบัติบรรลุมรรคผลนิพพานปฏิบัติ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 เหตุผลที่พระองค์วางเอาไว้ตอนแรกตรัสรู้นะสมควรถึงเวลาหมดเลยว่างั้นประจวบเหมาะแล้วว่างั้นทีนี้นเมื่อมานพูดจบพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสว่าดูก่อนมานผู้มีบาปอขออภยัยในยะที่ห้าอีกนะมีในยะที่ห้าที่มาที่พระองค์บอกมานไว้เมื่อสัปดาห์ที่แปดแรกตรัสรู้เนี่ยนะนะพระองค์ได้ตรัส ก, กับมานว่าอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายว่า ดูก่อนมานผู้มีบาปพรหมจรรย์นี้ของเรายัางไม่บริบูรณ์คาว่าพรหมจรรย์นั้นหมายถึงาศาสนพรหมจรรย์ทั้งสิ้นที่สงเคราะห์ด้วยสิกขาสามวินัยปีดกทระสุตันตปิดกอภิธรรมปิดกอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาคําสอนคือพระไตรปิดกหรือคําสอนศาสนาพรหมจรรย์การประกาศคําสอนทั้งหมดที่ประชุมลงในสิกขาสาม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 มานก็เลยได้เหตุผลบอกว่าบัตนี้นะปัตนี้เนี่ยนะณนะเวลานี้เหมือนกันเมื่อตอนนั้นพระองค์มีพระชนอายุแปสิบแล้วนะพรหมจันทร์นี้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพรหมจันทร์คือศาสนาพรหมจันทร์ที่สงเคราะห์ด้วยอาธิศีลอาธิ จ, จิตและอาทิปัญญาของพระองค์บริบูรณ์แล้วศาสนาพรหมจันทร์สีลสมาธิปัญญาก็แพร่หลายแล้วถ้าผู้ตอนนี้ก็กําลังจะเสื่อมอีกแล้วเนี่ยนะก็คนละตอนกันนะนะ แต่ตอนนั้นเนี่ยบอกว่าใช่เลยบ่าแพร่หลายมากกว้างขวางมากคนรู้จักพระพุทธเจ้าเหมือนรู้จักพระจันทร์พระอาทิตย์อย่างั้นตอนกลางวันคนเนี่ยปรารถดวงอาทิตย์ฉันใดตอนกลางคืนปรารถดวงจันทร์ฉันใดพระพุทธเจ้านี่เด่นฉันนั้นคําสอนของพระองค์ก็แพร่หลายกว้างขวางประดุษแสงแห่งพระอาทิตย์ฉะนั้นเพราะฉะนั้นตอนนั้นนี่ถือว่าสว่างสวัยแล้วก็รุ่งเรืองมากตอนนี้ก็โรยราไปมา ก, นนกแล้วมั้นก็ตรงกันข้าม น, นะก็คืนสู่ภาวะปกติแล้วมั้น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 ไม่นานรอเราจะปรินิพานล่วงจากนี้ไปสามเดือนตถาคตจากปรินิพานอีกสามเดือนปรินิพานนับไปเลยนับถอยหลังไปอีนนะกเก้าสิบวันเหมือนกันนะเก้าสิบวันนะนะตั้งแต่วันวันมาฆาบูชาวัวนเพลนเดือนเดือนสามเนี่นะพระองค์ก็ปรินิพานในวันเพลนเดือนหกบอกนับถอยหลังจากนี้ไปเก้าสิบวันมาสามเดือนเก้าสิบวันผ่านไปตถาคตจากปรินิพาน